ปกติคนระลึกได้พูดอย่าคนพูดอย่างนั้นละลมณได้น่ะมันระลึกเมื่หวานมื่อไ่ได้ระลึกปีที่แล้วเมาก็ได้หรือจะระลึกที่ไหนก็ได้ น, น่ะอำนาจของปีกติคนระลึกได้มีในธรรมชาตเแต่ที่ตัวของหลวงพ่อพูดอยูให้รู้ทันในขณะที่มันเคลื่อนไหวนั่นเองไม่ใช่หลักทิ้ตาเลือดใต้แ น, นวหัว ตัง้งจเขาเขา่มาดูนั่นามา่กลยดูได้ล ก, กลัง่นกับรู้กำลังทุกสเขะแม่อ้มมือสำกันแล้วเอามือว้าวนี่มือสำะัแล้วอันนั้นกับอรลอกคนอืนจะเอาอยัางไงกับันแล้วมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ควรู้เขา้าถึงกับปัจจุบันจริงๆปัจจุบันกำลังเพียรใก็รู้รู้กั ร, รู้รู้แล้วบรรลุจะอ้อมมมาขยันที่ม่รูนั่นไม่เคยดูมันซึ้ อันนั้นจะมันเป็นรักจริงเรือมันมากที่สุดดังนั้นที่นำมาเ ล, ล่าให้ฟังวันนี้แล้วทำาดังนั้นจะได้ประโยชน์อะไรแต่คนอื่นจะได้รับก็ไม้รู้ไม่ได้รับเราพ่อทำอย่างนั้นประโยชน์ทื่เกข้อ ใ, ในคําหมายแต่ละขันะ้น้วงเข้าใจกเข้าใจว่าพระเ้สอนเรื่องนี้แม่กล่าวพระพรุทธเจ้าว่าทำอันนี้ ถ้ามันเป็น hmm. อันนี้ทาอันนี้มันจะหมดอนะเข้าใจน่เหมอนกับเราล้างเครล่องจางถ้าเราเอาน้ามาเทไปเคื่องด่างแล้วมันจะเป็นประโยชน์อะไรไหมเอาน้ำล้างจานน้ำล้างจานเศษตัวจานแล้วเอาน้าเข้าไปเทเนือจานก็เสะอาดวันนี้ไม่ใช่พูดก็ได้นล้างจานเอาน้ำลงมาเทจะให้ดูล้กมือถูถูจานเอาน้าไปตาแมันไม่สะอาดเอาน้ใหม่สะาล้างจา เราจะพูดวลาก็ได้หรือไม่พูดวลาก็ได้แล้วก็เอาหน้าไปเทอันนี้เป็นวิธีที่หลวงพ่อสอนให้ศรีฤีธิ์ของเอกรองพ่อเข้าใจอย่างเง้ว่าความทุกนั่นมันจะมีหลายประเภทหลวงพ่อเลจอกจความเคลื่อนไหวสุดเข้าใจแล้วสุขุนให้ฟังตอนตอนเายนะความเคลื่อนไหวเปงทุกส่วนการเคลื่อนไหวปที่าพยายามแนะนให้ทุกคน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 อย่างนี้มันเปิเดใจครับเนมันก็นไม่ตรงความรกเตือนดังนั้นพวกเรามาที่นี่ต้องปฏิบัติตามข อ, ขอเชิญเภวาห่วงพ่อเคยพูดไรงนี้มานานแต่เป็นคนที่นี่หลงพ่อไปที่ไหนตัวดงพ่อเองเป็นคพูดไม่ใช่สาราพูดไม่ใช่ที่รักพูดไม่ใช่สกุล่ตัวคนพูดตัวคนไปที่ไหนก็ต้องพูดรวมทีน้วยื่ัจจั คือคนจริงถ้าพวกคไม่จริงแล้วมันก็เป็นไม่จริงใบไม้ในป่าในทะเลมีมากแล้วจะมาเป็นยารักษาให้โลกไหมเกี่ยวกับเรือวันนี้เราจะพูดท้างวันของเราแล้ก็เหนื่อยคนที่ฟังก็เหนื่อยคนที่ต้องดังนั้นสู้การกระทำนี่เเคลื่อนไหวรู้สึกเื่อไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวรู้สึกเหลื่อยนน้รกาปิบัติตอนปฏิบัติ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 มันจะไม่เปจรเลยนี่มันจะเันละไปมันเองดังนั้นจือว่าให้เห็นขกงิเมื่อเห็นของจิตแล้วมันจะอัดตัวกันเองไปเมื้อสมุทัยจระเข้มักต้องเจริญมักก็คือดูทีเจริญเพราะว่ามันวางร้ามหก้ากันเองทำใบบอลก็ต้องรู้ที่เนเหมือนกับพวกหมูเดืยนนังสือเลยเยียคอไ่วันเดียวไม่เป็นสองวันไม่เสามวันสีวัน าไม่เคยติวันหนูเรียนหนูก็ขายที่วันเอาียนตัวเดียนะติดวันจะเป็นไหมเียนใบวยเขียตัวนี้จะติวันใเขียตัวเดียเนี่เปลยนวันเนีอาขอไขขึ้มาเอาวันอ่าตัวนี่ตัวละติวันตัวละเียงเนตัวเดียเน่มันจะเป็นอันนี้เรามากต้องเจริเดินเป็นต้องกาเดรินเขียนก็ตวก็หัวแรกเขียนมันจะไม่สวยไมงานะ มันพยายามเส e ียบไปเสียบไปมันก็กระด่างเพื่อนกระด่าพื่นตัวเองอันน <God> <eurs> ี้อ๋อมักต้องเจริญนะครับมีโลดทําให้แจ้งเมื่อทํำมันก็ขาวกับคนเจริญมันให้ไพ่ไปทําบ่อยๆมันก็ต้องสวยเข้าสวยเข้าจะไปด้วยเจริญมักต้องทําให้แจ้งรู้แจ้งแล้วมันก็ต้องเจริญเจริญมันก็ต้องดูแจ้งเสียมักต้องเจริญจะได้ก็ต้องมักตีทา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 อันนั้นแหละสึงงปิบัติทำ่ว่าวันเวลาไม่ค่อยใครมันเลื่อนไปเลื่อนไปเลือเล่อน ไ, ไปวันนี้ต้องเิดตอนเช้าสวลาหกโมงมาถึงขณะนี้ก็เดี๋ยวบายโมงหนึ่งบายโมงยี่สิบเกือบแบบยี่สิบหกนยี่สิบสี่ยีห้าเข้ามาเลยเนีนจ่จะถึงจะถึงยี่เลยนี่ยมันตื่นเลย่ามันไปล่ไปไล่ไปแล้ววันนี้เราจะทำยังไง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 ควรทาให้เกมากขึ้นอย่าไปทาให้คนไม่ร huh. ู้มากโลกมากเพิ่มมากเพิ่มอย่างไรอนี่แหละวะสมุทัยลถ้าเราไม่เห็นมันละไม่ได้อกยู่ไม่ได้เพราะมันใหญ่ไม่เต็มความสุขนเท่าไอยู่ไม่ได้เพราะมันใหญ่ไม่เต็มเยินไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักหยุดเลิมไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักอาเราครดไม่ได้เพราะหวางไม่เต็มเราก็เลยทาให้หนูดีนย